การปฏิบัติก็มีอะไรอื่นนอกจากเรื่องสติเรื่องธัรมชาของตัวที่จะการรักษาใจใจของสิทธิชนทั่วไปเป็นใจจิตชนไปด้วยโลกโลกของใจมีมาก เกิดขึ้นผ่านมาจากทางอื่นหรือเกิดขึ้นจากตัวเองก็งให้มีสติมีปัญญาดูแลรักษาหากสิ่งนั้นไม่เป็นสารประโยชน์ที่จะาทำคุณใกใจจิตใจของตัวแต่อยากปเั่วเมาตะคุบเรื่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือผ่านมา ทำความรู้สึกแต่สัตวใจอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้มันก็ดับไปตามเรื่งของมันมีปติมีปัญญาดูดีะม่ำเสมออย่างนั้นเลื่องของจิตก็จะได้รับความสุขความสบายหายจากความมัวเมาหายจากความปุ่งปุ่งร้อนต่งตางๆมีโดยส่วนใหญ่ที่บนกัน อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเวลาปลุกตะบายทางจิตใจกราะขาดสติขาดปัญญ า, าขาดการรักษาปล่อยให้จิตใจมัว เ, เมากย่คล่องกับสัญญาอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตใจก็ไม่มีเวลาที่จะสงบเมื่อไม่สงบความสุขก็ไม่เกิดขึ้นความสุขของใจ จึงเปนหนาที่ของทุกท่านที่จะต้องตามรักษาไม่มีใครอื่นที่จะรักษาแทนตัวของเราได้การมาป่ามาพัก จ, จิตใจมาภาวานาจึงควรตั้งหน้าที่จะต้องรักษาจิตใจของตัวคนที่เตะเพราะการมาว่าจะถึงป่าถงที่พักก็นับว่าลําบาก ในการเดินทางไม่ใ่น้อยเหมือนกันความเุ็นอยู่ของป่าจะให้มันสะดวกสบายตามที่เลาตัอหาทีเ่เราเคยชอบเคยจิดมันก็คปนไปในไดน้แต่เราจะมาฝ่าพู้นเร่วงจิตใจของเราทึ่เคยจิดคล่องในความฝึกด้านวัตถุเราจะมาดูในป่าเพื่อศึกษาอธรรมทางใจเพราะเรา เคยประกาศตัวว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนเมืองไม่ใช่ค น, คนเป็นนักบวเป็นถึงกษัตริย์การออกปฏิบัติอาชธรรมได้มาสอนโลกก็เพราะท่าอนออกไปพักษาอาศัยอยู่ที่ป่าแต่ตามธรรมดาของป่าเป็นที่เงียบที่สงบรูปของป่า ก่อนจะรู้ี่อจะเกิดราคาตัญหาเสียงของป่าก่มนเป็นเสียงที่รบกวนกระสา่าในจิตกงมีกคืเสียงสัตว์เราฟังแล้วก่อนมีอะไรเป็นปัญญาอารมณ์ภายในใจแต่นั้นการตปอยู่ที่ป่าหาวิเวกทางกายจึงเป็นมาตกฐานทั้งัน ที่จะทาใจของผู้ฝึกปฏิบัติแต่เวลาความฝึกความสงบได้หมัยพระพุทธเจ้ า, ายังยังผสมอยู่การแสดงธรรมในสมัยนั้นโดยส่วนใหญ่จะแสดงในป่าเพราะอาศัยป่าถิวเงวสงบผู้ผปฏิบัติผู้ตั้งหน้าประพปฏิบัติตามอรรถธรรมที่นนท่านแนะนจิตใจจิต้จฟื้นฟง จิตตานตางโลกความสงบรวมตัวเข้าผลีส่สุดนรู้เห็นความเป็นจริงของอาจทำใจจะเชื่อมัน่นเหนือใจเชื่อมัน่นในอาจทำใจมีธรรมเป็นเชิง อ, อยู่เชิงอาศัยใจมีธรรมเป็นอาหารันก็สะดวกสบายพอใจสบายถึงจะอยู่ในกล สาหลาะวังแต่เที่ว่ายใจไม่มีอาจทำยังก็ไม่มีความฝุกจากนั้นผู้อยู่ป่าสาวกสมัยก่อนขันจึงชมเชยเรื่งของป่าเป็นผู้อบรมเป็นถู้ศึกษาอาจทำต่างๆก็เสียงอื่นไม่มีนารูกเรือนหรือก็ไม่มีอะไรที่จะมายั่วยวนให้เกิดวิเลี่ยนหาจากนั้นพวกเราข <c oughs> ี่มาศึกษา มาภาวนาถึงไปเจอนาเบลืองกายใจเครงตัวกายใจนี้เราอยู่ในเ ม, มืองก็มีกายมีใจเหมือ น, นกันไปสถานที่ใดก็มีกายมีใจติดตัวไปแต่ตไหนจึงหาสถานที่ก็เพราะสถานที่เป็นเรื่องอันหนึ่งซึ่งจะานจิตทาใจให้สะดวกสบายได้ง่ายเพราะเคยอยู่กับ สถานที่ บ, บ่อยๆแล้วจิต ก, ก็เคยขึ้นในสถานที่แต่นั่นสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุ บ, บันปฏิมุ่งมั่นในการไปพุทธปฏิบัติจนจึงเปี่ยงสถานที่ไป บ, บ่อยๆเพื่อศึกษาไปสถานที่ใดต่างหน้าต่างตาบำเพ็ญภาวนาจิตใจแสบดีแบบไปอยู่สถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นสถานที่นี้เป็นอย่างนี้เพราะสถานที่ เป็นสปายะมันมีสำหรับบุคคลก็่ดูว่านาสนะสปายะคือสบายจิตใจของเราเราสุกหัดอบรมปฏิบัติอยู่ในสถานที่แห่งเก่าเป็นอย่างไรเราก็ทราบได้หากที่ไม่สบายจึงจะทำหนักหนายพอสมควรจะไรับความสงบสบายนั้นก็ใม่สงบสบายได้ แต่เราเปลี่ยนสถานที่ไปใหม่ไป อ, อยู่ในสถานที่นั้นาการกระทําของเร า, าการปฏิบัติของเราคงส่งคงวายอย่างเก่าแต่จิตใจของเราละเอียดเบ่งรวมแต่ัะความสงบสงัดแต่ัะความสุ่ความสบายเราก็ทราบได้จากสถานที่แห่งนี้เป็นสื่อมงคลสําหรับตัวของตัวพอเราสุ่เราสบายเราสงบนี่สถานที่ที่เป็นสไบยะ เราต้องทำมากมายแต่ถ้าว่าไปมันก็สบายใจมันเหยียดมันเย็นพอไปเห็นสถ า, านที่จิตใจมันจิตอยากดี้วๆอยากจะภาวานาะมันสงบในตัวของมันไปเพราะสถ า, านที่อนเนวองให้มันเต็มแต่เรื่องเหล่านี้จะต้องอาศัยตัวที่ไปที่นิชฌานาใจของตัวเองดันั้นท่านจึงว่าเสนาสัตยะ ความจริงเสนาสนะส ม, นะมันไม่ได้ไปปฏิบัติให้ต hey, ัวของเราไป อ, อยู่สถานที่ใดตัวเราคนเก่าแต่เราตั้งหน้าตั้งใจจะไปปฏิบัติไปสถานที่ใดก็ปฏิบัติเอากายเอาใจไปปฏิบัติเหมือนกันแต่ไปถึงสถานที่อย่างนั้นมันสงบมันสบายมันรวมให้ป hey. <c oughs> ่าจึงเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับคููภาวนาในสมัยพุท ธ, ธกาลตลอดสมัยปัจจุบันครูอาจารย์ชีแดงธรรมะมาสอนโลก จิตเห็นเป็นขึ้นในกิตในใจจริงจไม่ได้แอบอิงจึงอาศัยตำรับตำรามาสอนท่านก่ออาศัยป่าไปหาภาวนาในสถานที่อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเข้าใจความตนไปของตัวเองนํามาเน่นสอนคนอื่นในใจท่านจดจํานําจากตำรับตำรามาเน่นสอนตำรับตำราถ้าใจของเราจอมใจของเราไม่เห็นไม่เปลนภายใน ถึงจะจดจามาได้เรียนมากมายขนาดไหนมันก็เป็นตําราอยู่ไม่สามารถที่จะกํา จ, จัดจัดขับไล่กิเลสตัณหาภายในใจได้รับความสุขความสงบเรียนไปเท่าไรก็ยิ่งสงสัยเรียนไปเท่าไรก็ยิ่งหลงเหลงไปเท่านั้นแต่การเรียนภายในคือการปฏิบัติจิตใจถึงความรู้จะไม่มากแต่เท่าว่ามีคุณค่าสาระแก่ตัวเอง รู้อะไรเห็นอะไรเป็นอะไรขึ้นภายในใจความฝึกความสบายความสงบ เ, เป็นอย่างไรในตาลับตาราเราจําได้แต่เท่าไหเมื่อเห็นเมื่อเป็นภายในตัวเขา้ามันเป็นอย่างไรนั้นมันสาบถึงถึงใจจริงจังการปฏิบัติจึงไม่มีอะไรอื่นนอกจากกายจกากใจขอสําคัญในกําหนดคินึกที่ทจะระนาอย่าไป ตามสัญญาอารมณ์เวลาเรานั่งภาวนาอย่าไปคิดอดีตอย่าไปคิดอนาคตปัจจุบันกำหนดอะไรให้ตั้งมั่นอยู่ในอันนั้นจยุดคิปัดเตาเรื่องอารมณ์สัญญาข้างหน้าข้างหลังออกไปเอาใจกดต่อในคำริกรรมก็ดีในการเพ่งวัตถุอันหนึ่งอันใดภายในกายของตัวเป็นเป็นว่าผมคนแล้วฟันหนังเนื้ออิกกนตรูกได้ หากเราเพ่งอยู่มนติดตามสัญญาอารมณ์อันอื่นหยุดจะมีวันมีเวลาสงบระงับมีการสอนตัวจึงเป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งส่วทุกคนจะควรสนใจปล่อยมันไปตามสัญญาอารมณ์มนานมาแล้วไม่เห็นไในรับผลรับประโยชน์อะไรความฝุ่ความทุกที่เราเห็นเราเป็นกันอยู่ ในจุด แ, แตกแตกต่างอะไรกับสัตว์ทั่วไปความสุกในราคาปัญหาความสุกในการเป็นอยู่ต่างๆมันเหมือนกันหมดแต่ความสุกในอาณาธรรมสื่พระพุทธเจ้าแนะนําคำสอนว่าเป็นความสุกอันเอกความสุกอันเลิศเรายังไม่เห็นไม่เป็นจึงควรฝึกควรปฏิบัติให้จิตของเราเห็นจิตของเราเป็นแล้วจะเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจ เพราะทุกคนเมื่อไปสพพบเห็นความสุขความสบายภายในแล้วความสุขความสบายภายนอกสิ่งเราเคยผ่านมาเกิดเกียบกันได้ว่าความสุขส่วนนั้นเป็นอย่างไรความสุขภายในที่เราเราเห็นเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นอย่างไรใจจะเชื่อมั่นไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวยุ่งให้จิตปรุงคิดติดข้องกับความสุขอันอื่นนอกจากอาจจากธรรมความเป็นความเห็นอย่างนี้ ผีเสพผีหรือแต่สัตว์สมัยก่อนออกประเพืปฏิบัติจนงมีวอกวนไปเกี่ยวข้องกับสมบัติชั้นฐานบัลลีมของท่านเพราะความสุขในใจเป็นความสุขที่ดีวิี่ยมความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่มีจิตตัวตลอดเวลากในต่องไปหาสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้องคือความสุขในธรรมกาหนดเมื่อใดพิจารณาเมื่อใดใจสว่างสวัย ใจตอดเตงใจมีความสุขความสงบการปฏิบัติความมุ่งมั่นจุดหมายปลายทางเราอยากจะให้จิตใจของตัวสงบจิตใจของตัวเป็นสุขจิตใจของตัวเปนทุกข์นี่จุดหมายปลายทางแต่การดำเนินงานจะต้องมีหลายอย่างบางส่วนบางคนตกลงกันอันนั้นบริตามอันนี้ จะจุดหมายปายทางไปสูอจุดเดียวกันคือความสงบเหมือนกันกับการหาเงินหาทองของคนคนจะเป็นทำไรทำสวนจะเป็นกรรมกรหรือข้าราชการก็ต้องการเงนินความต้องการคือเงนินมีเงินมาแล้วจะเป็นงา น, ผานแผนกไหนก็เป็นเงินเหมือนกันจะใช้ได้เหมือนกันมีคุณค่าสา่ะประโยชน์เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติภายในกัว สังนั้นมันมีอะไรผิดแต่แตก ต, ต่างกันจุดหมายปลายทางอยากจะให้จิตสงบจิตลงรวมจิตละความโลภโกรดหลงจิตต้นทุกข์มีความหนึ่งมั่นในการต่อเพื่ปฏิบัติเมื่อจิตยังไม่สงบจิตยังไม่เห็นไม่เป็นอาจจนทําให้ตัวต้องได้รับความรุ่มร้อนเป็นทุกข์เป็นธรรมดาแต่เพราะทุกข์คือมีอยู่ ในจิตในใจเราจึงทรายามที่จะคิดวิจัยาให้เห็นเด่นชัดในเรื่องของทุกทุกคนนะคือพระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้เป็นอริยสัจที่ทุกคนจะควรเห็นจะเห็นทุกเรือทุกเห็นทุกไม่ชอบทุกอย่างนั้นในทุกทุก ท่านเหตุตําหนดรู้ตามเป็นจริงของมันว่ามันเกิดมาจากอะไรจรึงเกิดทุกเกิดลํบาบากอย่างนี้ทุกนี้เกิดมาจากธาตจากขันหรือเกิดมาจากจิตใจโดยเกี่ยวข้องยึดถือเมื่อจิตสงบจะที่จะพิจรารณาได้ถ้าจิตไม่สงบจะพิจารณาเท่าไรมันก็ไม่ถึงเรื่องต้นเหตุของมันแก้ไขได้ดังนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมข้อสําคัญ มันจนขึ้นไม่ได้สมาธิความสงบของใจจะต้องมีถึงจะเป็นเชื่อปิตาสวูเรอชันต้อมีอสมาธิอยู่ภายในใจด้วยความตั้งมั่น้องใจความสงบ้องใจเมื่อย่างนั้นจิตในเรือรวมไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาตาัดกิเลสตัณหาไดา้ทุกมันมีสาเหตุอของมันมันจึงเกิดขึ้นทุกข์ทุกธาดุทุกขัน แต่ไมต้องพูดกันทุกคนรู้จักแต่ทุกท้องจิตท้องใจเป็งสิ่งที่จะแก้ไขได้แต่อุบายที่คือที่จะแก้ไขนั้นตั้งจากท่านอง์อื่นมันก็เป็นของท่านตัวของตัวเองเป็นอย่างไรที่แก้ไข ท, ทุกภายในสี่สมัมมาทยัยตกไปโดยอุบายสติหรืออุบายปัญญาของตัวอย่างไรนั่นจะประทับในใจของตัวเองทุกของขาดหัน ทุกท่านที่เกิดมาเนี่ยยังมีชีวิตชีวาอยู่จะต้องได้รับตามต้นไข่ได้ทุกต่งตาตงๆความหิวความกรหายมันเป็นธรรมดาสุกธาตขันยังอยู่แทมจริงหรือจึงทราบดีว่าเป็นทุกข์ของขันแต่จิตใจของพวกเราท่านคือยังไม่ถึงที่เสื่อมอย่างนั้นเรื่องทุกข์ของธาตุขันกับทุกข์ของจิตใจเราแยกกันออกได้เราเห็นว่าต้นทุกข์เร่งารงของใจ ทุกข้องขันอันเดียวกันแต่ท่านที่ไปถึงที่สุดปต่ที่บาดถึงเรืร่องยึดยืจางทุกข้องธาตุขันที่แก้ใช้ไม่ได้ท่านก็เห็นตามตป็นจริงไม่ได้ห้ามตามไม่ได้แก้ไขก็แกไขแต่ไมีมีทางสาเร็จเรื่องล่องไปได้ธาตุขันมันเกิดขึ้นแลปวนและแตกสลายอย่างไรเข้าใจประจักษ์ในจิตในใจของท่านก่อ น, นจิตจะไปยึดมั่น พยองสงสัยว่าอันนี้มันเป็นพิเรตตัญหาหรือเป็นเรื่องของขาดสงขันมันไม่มีทางสงสัยเพราะการกําจัดขับไล่เรื่องความสงสัยออกไปจากตัวหมดโดยาการคิดวิจัยนาในธรรมะต่างๆทุกห้องใจทุกเกิดจากความรักความโกรธความเหลือตงต่างๆความโกเศร้าเสียใจที่ไรลำพัน มันไม่มีใจนั้นได้ชำระซักฟอกให้สะอาดหมดจดเื í, ่อยปัตติด้วยปัญญาของตนการจีตใจจะหมดจดสะอาดโดยเฉพาะอำนาจที่ประพุทธปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันจดหมดจดสะอาดไปเองมาถึงป่าจะให้ป่าําระจิตใจให้ห่องใสสงบสุขมันจนไปไมได้ต้องอาศัยตัวเองลงมือปฏิบัติกําหนด ที่นี้ทุกขณะทุกไยะทุกเวลาอย่าไปล่อยใส่ต่อยปัญญาใส่เป็นหมันใส่เป็นคนโมคะหากทุกคนตั้งมัน่นในพุทธปฏิบัติจิตใจของตนอย่างนั้นจิตใจไม่ได้มีโอกาสเวลาไปเกีกยเยยเ่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ภายนอกจิตใจรวมตัวลงอยู่ในจิดเดียวจิตใจกม็มีวันสงบมีกําลัง สามารถที่จะตัดขาดจากความสงสัยการปฏิบัติใจเป็นของย่าจะมีคุณค่ามากกว่าทุกสิ่งในโลกหากใครกระเพืปฏิบัติตัวองตัวได้คนนั้นถึงโลกเขาจะไม่นิยมสมมุติว่าเป็นสื่วิเศษแต่ตัวของท่านเองท่านก็เห็นความไปเสิ่วิเศษ้องท่าน จะเป็นอยู่หรือตายไปไม่มีอะไรห่วงใยไม่มีอะไรเสียดายถึงขันจึงขีดถึงถถประเภทประจีบได้เต็มที่ไม่มีการห่วงความเป็นอยู่หรือการจากไปก็จุดหมายปลายทางคือเาราตาดธนาเราได้มาสู่ตัวของเราแล้วมันเห็นมันตื่นอยู่ภายในจิตใจของตัวเอง ถ้าในเห็นในเป็นยังสงสัยถึงจิแต่ละเอียดขนาดไหนแต่ความหายสงสัยยังไม่มีมันก็ยังมีทางอยากจะมีชีวิตชีวาต่อไปเพื่อจะแก้ไขให้เห็นกระจกในจิตในใจทังตนนีเมื่อถึงที่สุดจิตจะมีเงื่อจริงจังทางสงสัยจะแก้ไขไม่มีอยู่ไปหมื่นปีก็ไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษขึ้นแผ่นศาสตร์ดีอยู่ไป นานเท่าไรความทุกข์ต้องขาดต้องขันจิตโทรมโทรมานอยู่ในตัวของตัวพอสะอาดดีว่ามันจะทุกข์เรื่อยไปไม่มีอะไรที่จะให้สุกสําหรับขาดขันห น, าน้าที่เพรมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องการที่จะได้จากขาดขันเราได้ประเิเติปฏิบัติจนถึงจุดหมายตายทางแล้วขันจึงไม่เสียดายในการตายการเกิดทั้งขัน พวกเราท่านยังไม่เป็นอย่างนั้นรีบเร่งไปเพื่อปฏิบัติเพราะทุกคนมีจิตที่จะไปะเพื่อปฏิบัติได้ไม่ใช่หรืหน้าที่ของการปฏิบัติจิตใจใเป็นหน้าที่ของพระกรรมาฐานเป็นหน้าที่ของพระเม้นที่อยู่ป่าเป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะเรื่องความทุกข์ทุกคนในกาถนาทุกข์ที่ มาลืมตัดกินจิตใจของตัวมันเกิดมาจากอะไรถ้าหากมีแต่ปีปัญญามีธรรมะขับไล่มันจะเกิดทุกอยู่ตลอดไปถึงมาบวชเป็นชาเป็นเมนอยู่ในป่าในเขาในถ้ำมันก็ยังตามกัดตามกินอยู่เสมอไปจะเป็นคล้านะมันก็ลุมล้อ ม, ม, ออมตัดกินอยู่อย่างนั้นมาเป็นชาเป็นเมณก็เต้นอยู่อย่างนั้น เรื่องของยี่เหลีตันหาฉาเราไม่สำลักตักฟอกเหนือใดไม่มีวันที่จะตกไปจะแก่ขนาดไหนความห่วงความอะไรในถาดในขันในสิ่งในของต่างๆมันจะต้องมีทับผมอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาเวลาเสียจะ ล, ะละถอนปล่อยวางนะ่ะมีึ่งคือจิตใจมีไม่มีอัดมีทำถ้าจิตใจมีอัดมีทำมีปัญญาสามารถ รู้เข้าใจตามเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นจะต้องมีการแปรปรวนและแตกสลายไปจากแทเจนภายในใจไม่ว่าจะเป็นรูปปรธรรมหรือนามธรรมาจะต่างกันก็นกแต่ชาหรือเท่านั้นส่วนคติของมันคือตันอย่างนั้นเสมอไปเมื่อเห็นเมือ่อทราบในใจของตัวขนาดแทเจนอย่างนั้นอะไร คือมันเป็นไปอย่างไรก็เข้าใจตามความเป็นจริงของมันจิต ข, ของท่านจึงไม่มีการหวั่นไหวจิต ข, ของท่านจึงไม่มีการยึดมัน่นจิตของท่านจึงไม่เกิดทุกข์แต่สติปัญญาจะเข้าไปถึงอย่างนั้นไปเห็นไปเป็นอย่างนั้นมันเป็นของเฉพาะบุคคลไม่มใช่ทังแล้วมันเป็นไปเองจะต้องมาพูดปฏิบัติดูใ ห, ห้รู้ให้เข้าใจภายในตัว ้ายในรู้ภายในตัวเกิดขึ้นภายในตัวสมบัติที่จำมาเดยสัญญายังไม่เป็นสมบัติของตัวเป็นสมบัติของคนอื่นเลยไม่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรเป็นนักผลเราก็เคยฟังกันเป็นขีนหูแต่ไม่มีอยู่ในตัวของตัวมันก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้ถ้าทำให้มันเห็นมันเป็นภายในใจ มักเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรมันก็ไม่มีทางสงสัยศาสนามีทางเรียนจบจบจากการประปฏิบัติของตัวหายสงสัยถึงจะอ่านตำรับตั้งลาไม่ได้ขอช่างใจใจเสียหายสงสัยเป็นอย่างไรจะไปจากในการประปฏิบัติการประิปฏิบัติจึงเป็นเรื่องตัดปัญหาทุกอย่างภายในตัวเองผู้ที่ตัดปัญหาของจิตของใจได้ไม่มีอะไรที่จะสงสัย โลกมีโลกน่กนะตลอดปัจจุบันจะไปติดข้องกับอะไรจะแก้ไขหรือบำเพ็ญอีกอย่างไรไม่มีผ่านองค์นั้นหรือคนคนนั้นจะเป็นผู้ดีเป็นผู้วิเศษมีความสุขความสบายประเสริมีการปฏิบัติมีทางจบทางสิน้นไม่เหมือนการทำงานของโลก งานขงโงกมันมีมันศพในเวลางานประเภทไหนการคิดจริงหลวงขงโลกก็เหมือนกันเหมือนไหลเงาเวลาเราวิ่งเงามันก็วิ่งไปมันมีเวลาจัดทันมันมการประปฏิบัติมันสั้นความจริงความสุขทางศาสนาหากประพปฏิบัติได้สุขจริงเปรียบจริงวิเศษจริงโอกาสเวลา ที่เราจะประพฤติปฏิบัติถ้าหาจะคิดประพฤติปฏิบัติมันก็มีโอกาสเวลาอยู่ทุกระยะทุกเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติได้เพรงานส่วนอืน่นเราถือว่าเป็นของจำเป็นที่เราจะต้องทำแต่งานของใจที่จะทีนี้ที่เจรณาขับไล่กิเลสปัญหาเราไม่ถือว่าเป็นของสำคัญคอยจะกำห น, นดจะทำบำเพ็ญด้าน จ, จิตใจจะทำจิต ภาวนาหาความสงบทางอัดทางทำมันจะต้องมีสิงนึ่งสิงใดมาผักดันทางศาสนาสันตอวิมานมากระชิดเยอะดึกแล้วเยอะเหนื่อยแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาปุดคุยกันเรื่องอืน่นหรือดูเรื่องอืน่นเพลินเรื่องอืน่นไม่ได้กําหนดเดวลาเวลาจะภาวนาจับนาฬิกามาดูจะเอาตรงนั้นนาทีตรงนี้นาทีนาฬิกามันก็จะเดินให้ หนังไปอย่างนี้นิดหน่อยจะดูารรณิชาอยู่นั้นจิตใจมันไปเหวี่ยงไปหวงเรื่องเวลามันถึงหรือยังมันก็เลยลงในรวมให้ในดีในวิเสษให้แต่เวลาทำสิ่งอื่นเพื่อสงอื่นที่เต็มไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาในกาหนดเวลาเวลามันเป็นแบบนั้นมันจึงไม่ทันกับเรื่องของกิเลสตัณหาจิตใจจึงไม่เต็มไป ในทางอัดทางทำให้พยายามสอนจิตสอนใจท่องตอนทานไม่อิม่มไม่ยอมหยุดนอนหลับยังไม่อิม่มไม่ยอมตื่นมันเป็นอย่างนั้นแต่เวลาทําภาวนาไม่เหนผลอะไรแล้วนี่แต่ทางจะออกถ่ายเดียวออกไปไหนออกไปหาไฟออกไปหาที่เลตไม่เคยออกจากทีเนี่ช่ไห ทำไปนิดนิดน่หน่อยก็เพื่อมันจะหลุดจะเล่วงไปหงเหงือเอาจีนจริงแจ้งจัง ห, หูเหงื่อิเลดตัญหาหูเหงืงอาดขันหูเหงื่เหงื่สัญญาอารมณ์ต่างๆเ ว, แวงแต่เาจหองเหงือยู่มันก็มีทางที่จะปล่อยวางละขอนมันได้ยอมะละละทิ้งสัญญาอารมณ์ต่างๆ่ากำหนดชิ้นิพ จ, ใจในนะ หายใจได้รับความสุขไม่มีทางอื่นไม่มีคนอื่นที่จะช่วยเราเราต้องช่วยเราเองพอเราหาความสุขความสุขของโลกต่างสันต่างคนก็เคยประสบพบเห็นกันมาความสุขของธรรมะเป็นอย่างไรบางสันต์บางคนก็เห็นนิดๆหน่อยๆบางสันบางคนก็เห็นมากบางสันบางคนก็เห็นถึงเพราะการตปฏิบัติ เห็นความสุขของศาสนาเห็นความสุขของธรรมะเห็นความสุขของการปฏิบัติเรื่องความเพียรไม่ต้องบอกมันเป็นไปเองพอมันเห็นมันชอบมันยินดีนี à, ่มันไม่เห็นไม่เป็นลงมือทาไปนิดนิดหน่อยหน่อยตกล่าวตูเอวเองแบบอาภัพอาบวาสนาประชึกปฏิบัติมาไม่เห็นผลอะไรเกิดขึ้น ก็พอจะได้เกาๆใจให้มันหักมันพังได้อย่างไรคือเขาทั้งลูกเป็นไม้ใหญ่ๆทั้งต้นจะให้ลูกทําเอาให้มันหักมันหักไม่ได้จะต้องลงมือตัดลงมือระเบิดมันถึนจะพังไปได้หรือกิเลยปัญหาคีอมันเข้มทับจับจิตใจของเรานับคบนับขาดไม่ได้มันกว่อนธนงนั้นมันเป็นใหญ่เป็นโตพอแล้วเราจะไปกําหนดเวลาทํากันนิดๆหน่อยๆอยากจะให้มัน ขาดอยากจะให้มันทังมันทังไม่ได้แอ่เราเมื่อทำกันจริงจจังจังสัญธาติวิริยะจิตตะดิมังสาสำหรับอิทธิบาทคนที่มีทำสี่อย่างนี้มีอิทธิฤทธิสามารถที่จะกำจัดเรื่องกิเหลสปัญหาไปได้หรือปารธนาสิ่งไรคนที่มีอิทธิบาทภายในใจคนนั้นจะสำเร็จ ตามความป่าชนาของตัวแต่เพราะความพอใจทําอะไรโดยความพอใจในทําเล่นทำหนุวทำผากความเพียรภายในจิตในใจจริงจังเอาใจใส่วินิจฉัเกิดผลในการกระทำของตนจะเป็นงานภายนอกงานภายในถ้ามีอิทธิบาะภายในใจย่อมสําเร็จ มีการประปฏิบัติแต่จริงๆว่าอิทธิบาทเป็นตัวจากใหญ่เป็นตัวสําคัญที่จะทํำจิตทําใจให้ถึงทำดีพิเศษได้แล้วทำเที่ยว่ามันมีอยู่ที่ไหนนั่นตําราที่เขาทําันตัวนีอยู่ในตัวอของเราถ้าหาเราตั้งใจพอใจจะทําถึงจะยุ่งยากลำบากขนาดไหนเราพอใจเราก็สู้ อดทนาำได้คทำพอใจจึเป็นเรื่องสำคัญของยากก็เป็นของง่ายของหนักก็เป็นของเบาของเบาไปได้จากความไม่พอใจเกิดขึ้นของง่ายก็กลายเป็นของยากของเบาก็กลายเป็นของหนักนี่ความพอใจความพอใจก็คือตัวของเราเองพอใจวันนี้จะทําขนาดนั้น วันนั้นจะทําขนาดนี้โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีทําพอใจไม่ได้กําหนดเ ว, ล, ดวลาบางท่านบางองค์ทําท่านไม่ถือเ ว, ล, วลาหากไม่สงบไม่สบายไม่เห็นอาศาัศจรรย์ภายในเกิดขึ้นจะไม่ยอมมันจะตลอดบันตลอดคืนชั่งมันจะอยู่ในอิริยาบถนั่งต่อตามอิริยาบถเดินต่อตามหากความอัศจรรย์อะไรไม่เกิดขึ้นไม่เห็นไม่รู้ สึ่งได้สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นมุ่งแต่ทำมังเพลนนั้นจะไม่ยอมเละความำผักเพียนในการกระทําของตนมีครูอาจารย์บางท่านบางคนท่านทําแบบนั้นท่านไม่ถือเอาเรื่ลงลำเวลาวันเท่นั้นชฉ่ยโมงเทมีนาทีแล้วเลิกละล่อยวางความเพีย็นบางชาวบางสมัยเดิน แต่ว่าขำจนตลอดสว่างมันยังไม่ดีให้ถึงเวลาไปยินธบาทไปยินธบาทโคบสันมาแล้วเดินต่ออีกจนให้มันจนมันเห็นมันรู้์ถึงจะยอมพักผ่อนอเลียบทอื่นความมุ่งมั่นในการแกหจิตใจาหากมีฉันทะความรักใค้จะทำจริงจังมันไม่ยากในลำบากขนาดไหน หากไม่มความพอใจมันจึงหนักจึงหนวงทาอะไรก็ลําบากยากเยน็นไปหมดการเย็นว่ายตายเกิดของพวกเร า, าหากจิตใจยังไม่เต็มไปจิตใจยังไม่เห็นเรื่งองของตัวเองก็นับไมนะ่ได้เช่นข้าพเจ้าไม่พยากรว่าจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ภพจึงจะหมดยิ่งเหลจริญหาจึงจะตัองเรื่ มันยังผานไปได้มันยังหลอดตาข่ายของพระพุทธเจ้าอยู่เทวทัศ ว, ว่าชั่วเสียจตกนรกโอโยกยีพระพุทธเจ้าก็ยังทำนายให้ตกเรามันหนักกว่าทวทเทวทัศไปซักอีกเราจะยอมเป็นคนหนักคนหลอดตาข่ายพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นหรือรีบกระทาบําเพ็ญให้มันเห็นมันเป็นเพราะทคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงพ้าองค์จะปรินิพพานไปก็เป็นครอเป็นอาจารย์ ยังอยูแนสอนได้คนที่ต่างนาต่างตาประพฤติปฏิบัติ ร, รักษาตามทางคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระเนนต่อตามจะเป็นฆร า, าวาสต่อตามจะเป็นยญิงเป็นชายไม่หา้ามหากทำจริงปฏิบัติจริงในสติปัฏฐานทั้งสี่ฉันรับรองในคนเจ็บตือคนนั้นจะมีอสอติเป็นสอง คืเป็นพระอรหันต์ไม่อย่างนั้นก็เป็นพระ อ, อนาคามิไม่ได้กลับมาคือโลกอันนี้อีกนี่เป็นพุทธพจนทีพระพุทธเจ้าทรงรับรองปฏิปฐานทั้งสี่มันจะมีที่อื่นกายเวทนาจิตธรรมตายมันมีอยู่ที่ไหนตัวพวงเราก็มีกายคือปฏิบัติจะได้ปฏิบัติที่ไหน แต่ทีแาาของตัวพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจเรื่องของกายว่าสัตแต่ว่าใยหญิงในสายายในสสัตว์ในาบุคคลเป็นเช่นกขึ้นบาใจจะพิจารณาได้แตะว่าการแยกแยะพิจารณาทุกสิ่งทุกส่วนที่มีอยู่ในตัวของตัวให้เข้าใจให้จิตเห็นจิตยอมจำนนอย่างนั้น เพราะทุกสิงทอย่างสมควและฟันเราไปสมมุติมั่นหมายภาษาของไทยฝ่นสมหบพสมอยและววาฟันภาษาของบาลีวลาเจสาเรมานะขาท่านตาภาษาของฝรั่งก็จะไปอีกอย่างความจริงก็อันเดียวกันไม่ใช่ที่อื่นแล้วพิ่งเหล่านี้เขาเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลี่ยนแตกสลายให้เห็นตามเป็นจริงของมันอย่าไปถือว่าเราว่าเขา ว่าศักดิ์ว่าบุคคลของเหล่านี้เป็นธาตุผสมกันเข้าใน่มีรามีเขาอยู่ที่ไหนพิจารณาหายใจรู้ประจักษ์ในสิ่งเหล่านี้ไม่ปล่ยให้จิตคิดจึงไปเรื่องอื่นจิตจะไม่คิดจะม่จึงน้าหากพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงข้างมันการพิจารณาตใจจึงเป็นทางที่จะถอน ราคะความกำหนัดยินดีโทสะความโกรธโมหะความหลงออกหน้าเมื่อตัณหาตัณหาที่เจนาจิงจังในจิตเห็นขิดหรือติดอารมณ์ส่วนอื่นมันก็มีทางจะสงบมีทางจะเห็นจะเป็นถ้อเรากำหนดเขื่อระยะเวลาในาทีนาทีจิตใจก็ลอยหนีไปจากกายเสียไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ใหม่ แต่ว่าตัวพิจารนาเรื่องของสศรษฐปัจฐานทําไมไม่เห็นอัไนี้งสัยเห็นอะไรเกิดสุดต่อเที่ยงไปจี่อไปลึกทำแถานั้นจะให้มันเห็นอะไรกันก็จิตในเอาจริงเอาจังให้ถ้าหากเอาจริงเอาจังในเรื่องของตายจิตจะเห็นจะเป็นเรื่องของเวทนาสุดทุกเฉยี่เหมือนกันมันมีอยู่ในฐานในขันในตัวของเราทางนั้นทาำี่พระพุทธเจ้า แนะนำสั่มสอนหากทกค น, คนค้นคิดที่นี้ทีเจนานำธรรมะถือพระพุทธเจ้าสอนที่นี้ที่เจนเพียงจังจิตใจทั้ทเท ง, ทงเราจะไม่ฝ่าฝืนจะไม่บื้อดึงจะไม่เหนื้่อย่างท่องทำไปได้กิเลสปัญหามันตัวสําหรับคนที่มีธรรมมีสติปัญญาจะไม่เห น, น่อยตัวสำหรับคน ที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะมันจะหลอกเลื่องเรื่อยไปจนไม่มีขอบเขตเรื่องชีวิตปัญหาพยายามสอนจิตอารมใจของตัวจะทําดีอย่าไปกําหนดเรื่องลำเวลาทำเรื่อยไปเพราะสติยอยู่กับเราปัญญาอยู่กับเรากาก็อยู่กับเราเอา้านะ กอยู่ตรงเรากมก็อยู่ตงเราทำแต่เปิ่มเมอ่ะเมก็อยู่ตังเราอีกมันเลอยู่ที่อื่นเมื่อมันค้มทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เลยจะไปหาที่อื่นหาแล้วมันหลงไม่เห็นคนเห็นใหม่หาพิจารณาอยู่นี้จิตมันจะหือเรื่องของทํามหม่ดัก็ต้องเห็นต้งป็นถ้าเห็นถ้าเป็นอย่างไร ก็ไม่มีใครที่จะไม่แย้งมาแบ่งเอาไปในเป็นใครเหมือนสมบัตรภายนอกแต่ดูเห็นดีด่นการเสด็จเสดขนาดไหนก็ไม่มีใครอะไรเหมือนกมบัตรภายนอกมีแต่ทางตสว่างสวัยมีแต่ทางเบากายเบาใจมีแต่ทางสงบรลมเย็นเรื่อยไปนี่อานิสงส์ของการปฏิบัติอาจทำเป็นช่องดี ีเ่เศษอย่างนี้ผู homepage, ้ขี่เห็นผู้เป็นอัดทำภายในใจคือมีความสุขความสบายมากกว่าคนขี่ไหนเห็นไหนเป็นเป็นไหนไหนเราต้องการความส ком, society, ุขความสบายภายในใจต่อฝึกต่อปฏิบัติเพราะธรรมะทุกสิ่งทุกเปลี่ยนที่พระพุทธเจ้าสอนศีมรักษาใจวายชาใจวายชาอยู่ที่ไหนสมาธิความตั้งใจมั่นใจมันอยู่ที่ไหน ปัญญาความรู้ระดับู้ในกองสร้างขานอะไรแต่ระดับผู้ปัญญามียอยู่ที่ไหนสร้างขันคืออะไรอนนอกําหนดที่นี้พิจารณาในตัวเองจะถอดใจเพราะมันมีอะไรติดบางเรื่องของใจมัมีอะไรติดบงั ง, งทําทไว้นอกจากตัวของเราในเอาใจใส่หนึ่ตงตั้งหน้าไปเพื่อปฏิบัต เหนของเน้นว่าของหมเหนของโปกๆว่าของสวยงามผลนของไม่เสี่ยงว่าของเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นร้อน่เป็นเย็นตามเป็นทั้งจิตทั้งใจมันเป็นมองนั้นมันไม่เห็นตามเป็นจริงมันจึงเกิดเฉลงใส่มันจึงเกิดรุ่มร้อมันจึงเกิดแผกเขาตัวเองถ้าเห็นตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะถามผู้ตังงานนะท่านพนัง มันเป็นจริงอย่างไรเห็นจริงอย่างนั้นในขัดขวางความเป็นจริงของมันเข้าใจตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างไปใจมันสบายพระพุทธเจ้าถึงสอนอย่างนั้นที่เห็นทูกเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นมันมีเจนอื่นไปพระพุทธเจ้าหรือศาสนาจะผ่านมาตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีความเป็นความเห็นทุกสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนมันยังคงเป็นคงวา ยังใหม่ยังสดใสไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปตามวันเวลาทําจริงเป็นอัตาลิโก้คงเติมคงวายอยู่ตลอดเวลามันมีอะไรจะสว่มเสียไปตามการตามเวลาตา่างๆแต่พูดปฏิบัติเทาเถจะเห็นจะเป็นจะหูจะลึกเพนจากใจมันเป็นผลเป็นประโยชน์มาก รี่จากกำลังกำลามันเป็นอีกแบบสุขอารมณ์ความเป็นความเห็นควาเยนความสบายจะเกิดขึ้นหาความสุขภายในคือหาความสุขของใจจากอาจทำมีทางที่จะสุกจะสบายจะดีจะวิเศษ แต่มองข้ามความศึกของธรรมไม่มีมันมีแมันใดีในวิเศษพระพุทธเจ้าไมสอนคือแต่เพื่อปฏิบัติม่เห็นม่รู้ท่านจะอยู่ปฏิบัติไปทาไมท่านไปเห็นไปรู้ภายในทั้งท่านแต่เชื่อว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของธรรมเป็นแขงคือในตรวัตนุว่าจะหยิบยก ให้คนอื่นดูว่ามันไปเสียอย่างนี้มันยิ่งเสียอย่างนี้ถ้ามันยนนดัดออกให้คนอืน่นดูได้คนอื่นคิดนึงมันอยากได้ของดีเสียดก็จะชอบกันพอใจกันทั่วโลกนี่มันหยิบ ด, ดยกออกมาไม่ได้มันเป็นอย่างไรก็สราบภายในใจทำเป็นตัดจัดตังเฉพาะท่านาที่จะเพือปฏิบัติจะจะเห็นจากเป็นเฉพาะตัว ทึบอย่างไรแต่มันใสแดงอยู่ในตัวทางนั้นนะดิบอกให้คนอื่นมาดูเราจะรู้จิทุกอย่つつุงของเราสีด <bible opus> ่างนะครับแต่คองจิตใจอยาก่อยไปตามสัญญาอารมณ์จิตใจจิตใจเหม่่หป่ปุต่างๆใก็ะสงล้วงับได้ การที่บายทนะเห็นว่าก่อนควรเตรีไรก่อนท